คำนำณปากประตูแห่งความตายความตายสําหรับ ความตายสําหรับคนคนเราตายเหมือนกันน้อยใจคนรอบ แต่ความตายที่กำลังรออยู่ตรงหน้า คือบอกว่าอย่าตายเปล่าอย่าเอาแค่ตายด้วยความ ต้องกล่าวว่ากายใจเป็นแค่ที่ตั้งของความเข้าใจผิดกล่าวว่ากายใจเป็นไป ที่เราช่วงสุดท้ายนับว่ามีค่ากว่าทุกช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดทําความพฤศจิกายน 50